18. อัถารสมวัตหนึ่งมนุสโลกะกถธาหนึ่งว่าด้วยมนุสสยโรค8ปสองสกวาธีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุสสยโรคใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีเจดีอารามวิหาร ขามนิคมนะครรัฐชนบทที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาทีหากเจดีอารามวิหารคามนิคมรัฐชนบทที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษย์สยโลก สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีพระผู้มีพระภาคประตูที่ปารุมพินีตรัสรู้ที่ควงไม้โพประกาศธรรมจักที่กรุงพาราณสีปรงอายุสังขารที่ปาวาลาเจดีปรินิพานที่กรุงกุสินารามิใช่หรือ ปราวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคประสูติที่ป่าลุมพินีปรินิพานที่กรุงกุริสตินาราดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทิพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณนะควงไม้สาระในสุภควันเกกรุงอุ ก, กัตทะว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราแรกตรัสรู้พักอยู่ที่ต้นอชา ป, ปาลนิคโครธตําบลอุรุเวลาว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่ง เราพักอยู่ณเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณนะเชตวันอารามของอนาถปินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณนะกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกแปดราปรวาทีพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคทรงกำเนิดในโลก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 มนุสสโลกัถกาจบสองธรรมเทศนากานัถา7 8ว่าด้วยการแสดงธรรม ป, ปร ส, สีกวาธีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีใครแสดงประวาธีพระพุทธนิมิตสกวาธี พระพุทธมิตรเป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูเป็นพระสัพพะทัสสาวีเป็นพระธรรมมัสสามีเป็นพระธรรมมะปฏิสรณะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ใครแสดงปรวาทีท่านพระอานนท์สกวาทีท่านพระอานนท์เป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญยูเป็นพระสัพพะทัสสาวีเป็นพระธรรมมัตสามีเป็นพระธรร ม, มะปฏิสารณะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8ปดห สกวาธีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเราแสดงธรรมโดยย่อก็ได้เราแสดงธรรมโดยพิจารณ์ก็ได้เราแสดงธรรม ท, ทั้งโดยย่อและโดยพิจารณ์ก็ได้แต่บุคคลผู้รู้ทั่วถึงหาได้ยาก มีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงธรรมแปดร้กสวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งไหน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 แสดงธรรมที่มีปาฏิหารไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหารเธอทั้งหลายควรทำตามคำสั่งสอนควรทำตามคำพร่ำสอนก็เลยเธอทั้งหลายควรที่จะยินดีควรที่จะชื่นชมควรที่จะโสมนัสว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสวยาการณภพาสิทธิ์นี้อยู่โลกธาตุมีหมื่นจักรวาลได้วันไวสันตเทือนแล้วมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สักวาทีดังนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมธรรมเทศนากถาจบ 3. กรุณากถา179ว่าด้วยกรุณา8ปดเจ็ดกวาทีกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมตตาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที กรุณา the ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่จักกวาทีมุทิตาอุเบขาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจสกวาทีเมตตาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมุทิตาอุเบกขาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ศักวาทีกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที กรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคไม่ใช่ผู้ประกอบด้วยกรุณาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยกรุณาทรงเกื้อกูลชาวโลกทรงอนุเคราะห์ชาวโลกทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกมิใช่หรือประวาทีใช่ สกวาธีหากพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยกรุณาทรงเกื้อกูลชาวโลกทรงอนุเคราะห์ชาวโลกทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการุณาของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าไม่มีสกวาธีกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมประวาธีใช่ ักวาธีพระผู้มีพระภาคทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติไมิใช่หรือประวาทีใช่จักวาธีหากพระผู้มีพระภาคทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีแปดระวาทีกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมักวาธีใช่ ปรวาทีพระผู้มีพระภาคยังตรงมีราคะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงไม่มีกรุณากถาจบสี่คันทชาติกถาหนึงร้อยแปดิว่าด้วยคันทชาตแปดร้อยก้าสกวาทีพระบางคนหนักพระบางคนเบา ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหอมกว่าคันธชาติอื่นๆใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงใช้ของหอมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคตเต๋ยวข้าวสุกและขนมกุมมากมิใช่หรือปร ว, รวาทีใช่สกวาที หากพระผู้มีพระภาคเสวยเข้าสุขและขนมกุมมากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหอมกว่าคันธชาติอื่นๆสกวาทีพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหอมกว่าคันธชาติอื่นๆใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลบางพวกที่อาบทาไหลทาพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเก็บไว้ในหีบบรรจุไว้ในพระอบแร่ขายที่ตลาดและใช้ของหอมนั้นแทนของหอมมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นคันทชาติกถาจบห เอกมรคคัตถา181ดว่าด้วยทางสายเดียว810รั 10, ส ก, กวาทีพระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งสามัญญผลสี่ได้ด้วยอริยมรคมรคเดียวใช่ไหมประวาทีใช่สกกวาทีมีการประชุมแห่งภัสสสีปัญญาสี่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีพระผู้มีพระภาคทรงทําให้แจ้งสามัญญผลสี่ได้ด้วยอริยมรคมรคเดียวใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีด้วยโสดาปฏิมครคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีด้วยสกทาคามิมครคอานาคามิมครคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีด้วยมครคไหน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 การละสังโยชน์สามประการได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปติผลมิเข่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหาการละสังโยชน์สมประการได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปติผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคละส ก, กายติฐิวิจิกิจฉาสีลพตปรามาได้ด้วยอรหัตตะมัก ักวワทีพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทยยาบย อ, าาอย่างห ย, ยา บ, ายยาบได้ด้วยอรหัตมรักษใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวワทีทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตมรักษใช่ไหมประวาทีใช่ักวワทีความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสักกทาคามิผลไม่ใช่หรือประวาทีใช่จักาวาทีหากความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกกทาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตตะมักส ก, กวาที พระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตมัคใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีทรงละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้โดยอรหัตตมักใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีกาลกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 พระผู้มีพระภาคทรงทาให้แจ้งสามัญญผลสีได้ด้วยอริยมรรคมร์เดียวใช่ไหมส ก, กวาธีใช่ประวาธีพระผู้มีพระภาคจเจริญโสดาปติมรกแล้วใช่ไหมส ก, กวาธีใช่ประวาธีพระผู้มีพระภาคเป็นพระโสดาบันใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีพระผู้มีพระภาคเจริญสกทาคามิมร์ อนาคามีมักแล้วใช่ไหมสกวาธีใช่ประวาธีพระผู้มีพระภาคเป็นพระอนาคามีใช่ไหมักวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น '812. รสกวาธีพระผู้มีพระภาคทรงทาให้แจ้งสามัญญผลสี่ได้ด้วยอริยมกักมักเดียว แต่พระสาวกทั้งหลายทําให้แจ้งสามัญญผลสี่ได้ด้วยอริยมรรสสี่ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีพระสาวกทั้งหลายเห็นธรรมที่พระองค์ไม่ทรงเห็นปรลุธรรมที่พระองค์ไม่ทรงบรรลุทําให้แจ้งธรรมที่พระองค์ไม่ทรงทําให้แจ้งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกรมรคขัตถาจบห ชานสังกันติกถา182รว่าด้วยการเลื่อนชาญ813สกวาธีโยคีบุคคลเลื่อนจากชานหนึ่งไปสู่ชานหนึ่งได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีเลื่อนจากปฐมชานไปสู่ตติยชานได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีเลื่อนจากชานหนึ่งไปสู่ชานหนึ่งได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเลื่อนจากทุติยชาญไปสู่จตุทชาญได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเลื่อนจากปฐมชาญไปสู่ธุติยชาญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมชาญก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยชาญใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากปัมชฌานไปสู่ทุติยะฌานได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปัตมชฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยะฌานใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีทุติยะฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีทุติยชาญเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ักวาทีหากทุติยชาญเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ผู้ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมชาญไปสู่ทุติยชาญได้สกวาที โยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานได้ใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่ักวาทีปฐมฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มานาติการกามทั้งหลายโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีใช่ั <tal ent> กวาทีธุติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มานาติการกามทั้งหลายโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธุติยฌานมีวิตกมีวิจารณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู anya, ส่ทุติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ปธรมชาญกับทุติยชาญเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น814รสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยชาญไปสู่ตัติยชาญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยชาญก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตัติยชาญใช่ไหม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 ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีตติยะฌานเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากตติยะฌานเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยะฌานไปสู่ตติยะฌานได้ สกวาธีโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยชาญไปสู่ตติยชานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธีทุติยชานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มานัสิกานวิตกวิจารณ์โดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีต <bas> ติยชานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มานัสิกานวิตกวิจารณ์โดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุติยฌานยังมีปีติใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีตัติยฌานยังมีปีติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่ตติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีทุติยชาญกับตติยชาญเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น815รัอยกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยชาญไปสู่จตุทชานได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยชานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุทชานใช่ไหมปราวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีโยคยีบุคคลเลื่อนจากตติยชาญไปสู่จตุตชาญได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยชาญก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตชานใช่ไหมปรวาทีใช่ักาวาทีจตุตชาญเกิดขึ้นแก่โยคยีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจตุตฌานเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากจตุตฌานเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า โยคยีบุคคลเลื่อนจากตาติยฌานไปสู่จตุฌานได้ักวาธีโยคยีบุคคลเลื่อนจากตาติยฌานไปสู่จตุฌานได้ใช่ไหมปร ว, รวาธีใช่ักวาธีตติยฌานเกิดขึ้นแกโยคยีบุคคลผู้มนานัสิการปีติโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาธีใช่ สกวาธีจะตุทชาญเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้มนัสสิการปีติโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีตติยชาญสะรคด้วยสุขใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีจะตุทชาญสารคตด้วยสุขใช่ไหมปรว า, วาทาาวไวาีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีโยคยีบุคคลเลื่อนจากตาติยชาญไปสู่จตุทชาญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีตติยชาญกับจตุทชาญเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น816ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าโยคยีบุคคลเลื่อนจากชาญหนึ่งไปสู่ชาญหนึ่งได้ใช่ไหมสกาวาที ใช่ปรวาทีพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมมีไนนี้ตงหัดจากกรรมทั้งหลายเข้าจะตุทชาญอยู่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นโยคีบุคคลจึงเลื่อนจากชานหนึ่งไปสู่ชานหนึ่งได้ชานสังกันติกถาจบ เชานันตริกกถา183ว่าด้วยสมาธิที glory, ่เกิดในระหว่างฌาน817รสกวาธีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสมาธิที่เกิดในระหว่างผัสสะสมาธิที่เกิดในระหว่างปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที สมาธ yeah. yes. ิท yes. ี่เก like ิดในระหว่างฌานมีอยู See ่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างตติยฌานกับจตุตฌานใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีหากสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานท่านก็ไม่ควรยอมรับว <workshops> ่า สมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ักกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยฌานกับจตุทฌานใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธีหากสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยฌานกับจตุทฌานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่818 สกวาธีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรวาธีใช่ักวาธีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่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 ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยฌานกับจตุตฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างปฐมฌ า, านกับทุทติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น819รสกวาที สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นตกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่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 สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์มีอยู่ในระหว่างฌานทั้งสองที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นไปอยู่ปัตมะฌานดับไปทุติยฌานเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีหากเมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เป็นไปอยู่ ปฐมฌานดับไปทุติยฌานเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านก็ไม่ควรยอมรับว <iej S 1> ่บา Pla. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างฌานทั้งสองที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า8ปด้อยประวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌานใช่ไหมจักรวาทีใช่ ประวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เป็นปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีดังนั้นสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์จึงชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌาน8ปดพันรสกรวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ คือว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจารสอ 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสาสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ สักวาทีหากสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไปสามอย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจารสองสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสามสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิไม่มีวิตกมีเพียงวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌานชานันตริกะกะถาจบ แสมาปัโนสัตทังสุนาตีติกถา184ว่าด้วยผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียง823สกวาทีผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีผู้เข้าสมาบัติเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพัฒน์ทางกายได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีผู้เข้าสมาบัติเป็นผู้พังพร้อมด้วยโสดวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิมีแก่ผู้พังพร้อมด้วยมโนวิญญาณไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ จักวาทีหากสมาธิมีแก่ผู้พรังพร้อมด้วยมโนวิญญาณท come, ่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เ <alk> ข <ossa> ้าสมาบัติได้ยินเสียงได้จักวาทีสมาธิมีแก่ผู้พรังพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรังพร้อมด้วยโสตวิญญาณได้ยินเสียงได้ใช่ไหมประวาทีใช่จักวาทีหากสมาธิมีแก่ผู้พรังพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรางพร้อมด้วยโสตวิญญาณ ได้ยินเสียงได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงได้สักวาทีสมาธิมีแก่ผู้พรางพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรางพร้อมด้วยโสตวิญญาณได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งภัสสะสองจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8ปดร้อยย ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักิต่อปฐมชานมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักิต่อปฐมชานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียง แปดพันยี่สิบห้าสกวาทีเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปธรรมชาญเพราะเหตุนั้นผู้เข้าสมาบัติจึงได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีวิตกวิจารณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยชาญทุติยชาญนั้นยังมีวิตกวิจารณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที เสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานดังนั้นผู้เข้าสมาบัติจึงได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีปีติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌานลมัดสาสะปัดสาสะตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุฌานรูปสัญญา ตรัสว่าเป็นปฏิปากต่อผู้เข้าอากาษานัญจายตนะสมาบัติอากาษานัญจายตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปากต่อผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปากต่อผู้เข้าอากินจัญญาตนะสมาบัติ อากินจัญญายตะนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปากต่อผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติสัญญาและเวทนาตรัสว่าเป็นปฏิปากต่อผู้เข้าสัญญาเวทยิจนิโรธศสมาบัตผู้เข้าสัญญาเวทยิจทนิโรธาสมาบัตนั้นยังมีสัญญาและเวทนาอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สมาปันโนสัตถังสุนาตีติกถาจบ 9. กาจักกุนารูปังปัสตีติกถา185ว่าด้วยเห็นรูปทางตา8 26ร้สกกวาทีบุคคลเห็นรูปทางตาได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลเห็นรูปด้วยรูปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีบุคคลเห็นรูปด้วยรูปใช่ไหม anh? ปรวาทีใช่สกวาธีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวา ธ, สกาธีรูปเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีบุคคลเห็นรูปทางตาใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีตามีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีตาไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปราวาทีใช่สกวาธีหากตาไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลเห็นรูปทางตาสกวาทีบุคคลฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพา ท, ทางกายใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีบุคคลถูกต้องรูปด้วยรูปใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักว่าทีบุคคลถูกต้องรูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีบุคคลถูกต้องโพธะพระทางกายใช่ไหมประวาทีใช่สกกวาทีกายมีความนึกถึงความตั้งใจใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกกวาทีหากายไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลถูกต้องโพธพภะทางกาย8ปดเจ็ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลเห็นรูปทางตาถูกต้องโพธพภะทางกายใช่ไหมตะกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมินในนี้เห็นรูปทางตา ถูกต้องโพธพะทางกายมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นบุคคลจึงเห็นรูปทางตาถูกต้องโพธพะทางกายจากคุณารูปังปัสสตีติริกถาจบอัถรัสมวัตจบรวมคถาที่มีในวักนี้คือหนึ่ง มนุสโลกกถาสองธรรมเทศนากถา 3. กรุณากถา4คันทชาติกถา 5. เอกมัคคกถา 6. ชานสังกันติกถา 7. ชานันตริกกถา8สมาปโนสัทธังสุนาตีติกถา 9. จักกุณารูปังปัสตีติกถา